ทีนี้เอาต่อไปนะนมเมื่อกี้อนิจจานุปัสสีนะตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงยืนเดินนั่งนอนแล้วต่อไปนิพพานุปัสนาเนะี่ยนะวิอ่ะก็ไม่ไม่อธิบายนิพพาเลยเนาะนิพพาก็คือความเบื่อหน่ายนะถ้าความเป็นอ น, นิจจังบริบูรณ์เนี่ยนะความเบื่อหน่ายก็จะบริบูรณ์เนี่ยโดยหลักการมันเป็นอย่างนี้นถ้ารู้อ น, นิจจังจริงจะต้องเบื่อหน่าย แหมมันมีแต่ไม่เที่ยงมันมีแต่ไม่เที่ยงก็จะเอาจะเอาอยู่นั้นนะแสดงว่ารู้ไม่จริงอ่ะนะนั้นอ น, นี้จังที่แท้จริงนั้นต้องนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายเพราะสูตรเขามีอย่างนี้ว่าเมื่อใดบุคคลตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุอ่า น, นะในอารมณ์ที่ตนหลงความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันนะเอสมัมโคการใส่ใจแบบนั้นแหละ เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานอย่างนั้นนะเพราะอะไรพ้นการเห็นอ น, นิจจังเท่าไหร่เนี่ยนะความเบื่อหน่ายก็ย่อมบริบูรณ์ถ้าหากว่าเห็นอ น, นิจจังใส่ใจอ น, นิจจังแต่ไม่เบื่อไม่หน่ายก็แสดงว่าอ น, นิจจานุปัสสนายังไม่บริบูรณ์เนี่ยนะคือหลักการเขามีอย่างนี้ว่าถ้าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่บริบูรณ์ย่อมยังนิพพานุปัสสนาให้บริบูรณ์นี่ต่อไปอีกบอกว่า เมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตา น, นิพพิธานุปัสนาบริบูรณ์วิราคานุปัสนาก็บริบูรณ์วิราคานุปัสนาเป็นยังไงบทว่าวิราคานุปสัสสีวิราคะมีสองอย่างคือขยะวิราคะขยะกับอจจันตะเนี่ยนะขยะกับขยะอันเดียวกันนะั่นแหะขยะนี่แปลว่าสิ้นเะนี่ยนะ ถามว่าขยะวิราคะตัวนั้นเป็นชื่อของอะไรคือวิปัสนาเนี่ยนะตัวปัญญาที่เห็นสังขารโดยความเป็นของสิ้นไปนั้นชื่อว่าขยะวิราคะคือปัญญาที่ไปเห็นความสิ้นไปเนี่ยนะตามเห็นรูปโดยความสิ้นไปเสื่อมไปตาเม็นเวทนาโดยความสิ้นไปเสื่อมไปตามเห็นสัญญาสังขารวิญญาณโดยความสิ้นไปเสื่อมไปอ่ะปัญญาที่ไปเห็นสิ้นไปเสื่อมไปอันนั้นชื่อว่าขยะวิราคะ ส่วนมัคยานเป็นเครื่องเห็นพระนิพพานที่เป็นอัจจันตะวิราคาร ะ, ะมัคยานที่เห็นนิพพานที่คลายกำหนัดโดยสิ้นเชิงอ่ะนะอันนั้นแหละเป็นวิราคานุปัสสนาบุคคลผู้พร่างพร้อมไปด้วยพร่างพร้อมไปด้วยอะไรพร่างพร้อมไปด้วยวิปัสนาวิปัสนาญาณและมัคยานชื่อว่าวิราคานุปสี แสดงว Israeli, Rama, <ipt> ่าวิราคานุปสีเนี่ยตามเ awesome ห็นโดยคลายกําหนัดเนี่ยทั้งตามเห็นโดยวิปัสนาและโดยมัคนีนะตามเห็นความคลายกําหนัดเนี่ยนะคือปัญญาที่น้อมไปเห็นความสิ้นไปเนี่ยนะทั้งไปเห็นทั้งความเสื่อมไปหรือมุ่งที่จะล่วงส่วนเนี่ยทั้งโดทั้งวิปัสนาและอาริยมัคทั่วไปจึงใช้คําว่าวิปัสนาและมัคหรือมัคพร้อมทั้งวิปัสนาเนี่ยนะหลังตาการตามเห็นโดยคลายกําหนัดทั้งวิปัสนาและมัคเนี่ยนะ แปลว่าวิปัสนาเนี่ยน้อมไปเพื่อสลัดออกจากวิปัสนาน้อมไปเพื่อสลัดออกจา ก, าออ ก, จากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท่าอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นการสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยบริบูรณ์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ตามเห็นอยู่โดยความเป็นวิราคะชื่อว่าวิราคานุปศีกล่าวว่าเป็นคนราคะเนี่เป็นลักษณะการจับนะวิตัวนั้นแปลว่าปล่อย มุ่งที่จะปล่อยจากรูปปล่อยเวทนาะปล่อยสัญญาปล่อยจากการถือว่าเที่ยงปล่อยจากการถือว่าสุขปล่อยจากการถือว่าเป็นอัตตาปล่อยจากการยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะส่วนนิโรธก็เหมือนกันนิโรธมีสองอย่างคือนิโรธานุปสีเนี่ยนะตามเห็นโดยความดับคือตามเห็นโดยวิปัสสนากับตามเห็นโดยอริยมรรคเพื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะ มันการเห็นโดยความดับทั้งโดยวิปัสนาและโดยอริยมรรคเนี่ยนะผู้ใดที่เจริญทั้งวิปัสนาและมรรคนิโรธคือวิปัสนาเห็นความดับ อ, อ, อริยมรรคเห็นพระนิพพานที่ชื่อว่าอจจันตานิโรธเนี่ยนะผู้ใดที่มีทั้งวิปัสนาและมรรคอย่างนี้ชื่อว่านิโรธานุปสีคนที่มีวิปัสนาคนที่มีมรรคปัญญาที่เห็นความทั้งขยะนิโรธคือ เห็นความสิ้นไปเสื่อมไปของขันห้าอัจจมตานิโรธหมายถึงพระนิพพานเป็นที่ดับโดยการล่วงส่วนอย่างแท้จริงทีนี้บทว่าโวสัสขะแปล ว, ว่าสละคืนโวโสขะสละแล้วหรือสละคืนเนี่ยนะแปล ว, ว่าอะไรแปล ว, ว่าบอเอาละบอกคืนละวโวสขะมีสองอย่างปริจาคค่ะโวโสขะกับปักขันธนะโวโสขะเนี่ยนะบริจาคกันนะ โวสักขานี่แปลว่าสละคืนใชหมสละคืนโดยการบริจาค ก, กับสละคืนโดยการเล่นไปสละคืนโดยการบริจาคบริจาคอย่างไรวิปัสนาชื่อว่าปริจาคขโวสักขะเพราะวิปัสสนานั้นย่อมสละกิเลสและขันทั้งหลายด้วยความสามารถแห่งตะทางค้าประหารสละกิเลสโดยตะทางค้าประหารสละขันทั้งหลายโดยขันทประหารส่วนอริยมตรตชื่อว่า ปักขันธะโวสระเพราะสละโดยการเล่นไปเพราะอาริยมรรคนั้นเล่นไปสู่นิพพานโดยอารัมมณปัจใจเนี่ยนะอย่าลืมว่าวิปัสสนาเนี่ยน้อมไปเพื่อสละกิเลสโดยตะทางข้าประหารใช่ไหมเช่นเมื่อ أ, พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็รัความสําคัญว่าเที่ยงเมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็รัความสําคัญว่าเป็นสุขถ้าพิจารณาโดยความความเป็นอนาัตตก็รัความสําคัญว่าเป็น อัตาถ้าพิจารณาโดยความเบื่อนหน่ายก็ละคลายความเพลิดเพลินถ้าพิจารณาโดยความดับก็สละสมุทัยเนี่ยนะพิจารณาโดยความสละคืนก็ละจากการยึดถือคืออาฐานะเนี่ยนะการยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นการสละโดยวิปัสสนาจึงเป็นการสละกิเลสแบบตะทางฆ่าประหารกับการสละเครื่องหมายไม่คือต้องการจะปลดเปลื้องถ้าเปรียบขันห้าเหมือนอสารพิษเนี่ยนะก็คือต้องการจะปลดออกจากคอนั่นแหละว่างั้นน่ะ แล้วก็เล่นไปไหนปัขันธนแะแปลว่าเล่นเล่นไปสู่การสละคืนตัวที่บอกคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารจริงๆเนี่ยคืออะไรพระนิพพานเนี่ยแหละเป็นธรรมที่สละคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าหากว่าก็เหมือนกับว่าอะไรนะถ้าจะสล ะ, ะอะไรนะจะสละคืนนี่ออกไปได้ต้องมีอะไรต้องมีตัวมาชดใช้ใช่ไหมต้องมีตัวใช้ก่อนจรรึงจะสละแท้จริงเนี่ยพรนิพพานจึงเป็นธรรมที่สละ สละกิเลสสละตัณหาสละอวิชชาสละวัตตนี่ในหนึ่งอีกอย่างหนึ่งการสละด้วยเหตุทั้งสองคือทั้งโดยสมถะและวิปัสสนาหรือการสละด้วยเหตุทั้งสองคือการสละขันด้วยสละกิเลสด้วยด้วยสามาแนงสมุดเฉดก็ชื่อว่าบริจาคเหมือนกันบริจาคนี่คืออะไรสละขันด้วยสละกิเลสด้วย อนุภาพของอารียมรักษนสมุทเฉตตัวนั้นเป็นชื่อของมรักสละทั้งขันสละทั้งกิเลสและก็มรักนั่นแหละเป็นตัวแล่นไปสู่พระนิพพานจึงชื่อว่าปริจาคบริจาคปริจาคฆาโวศขะเนี่ยบริจาคยางงยากใช่ไบริจาคบริจาคอะไรบริจาค ก, กิเลสบริจาคขันแล่นไปสู่พระนิพพานจึงชื่อว่าปริจาคฆาโวศขะเพราะสละกิเลสและ สละขันตัวพระนิพพานชื่อว่าปักขันธะนโวสักคะเพราะอาถาวะจิตย่อมเล่นไปในนิพพานธาตุน่นะนะทั้งสองนั้นเสมอกันในขณะมรรคบุคคลผู้พรำครั่งพร้อมด้วยอริยมรรคนั่นแหละชื่อว่าปฏินิสัานุปสีเรียกว่าเป็นคนสละอย่างแท้จริงน่นะนะอย่างเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะสละอะไรออกไปบ้างพระโสดาบันสละกิเลสคือส ก, กายาทิฐิวิจิกิชาศีลพัตตะปรามาศ สละขันธ์ในอบายสละขันธ์ที่นำเกิดในภพที่แปดเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าเนี่ยนะโสดาปฏิมักสละขันธ์สละกิเลกก็คือสละสกายะทิท่ิวิจิกิจชาและกิเลที่นำไปเกิดในอบายเป็นต้นเนี่ยนะสกธาคามิมักสละอะไรร า, ราคาโทสะโมหะอย่างหยาบแล้วก็สละการปฏิสนธิในภพที่สองเป็นต้นเพราะมาสู่โลกนี้เพียง ครั้งเดียวก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ถ้าเป็นผ้านาคามีสละการมราคะกับปฏิฆะอย่างเด็ดขาดบริจาค ก, การมมาพบทั้งหมดไม่เอาแล้วเนี่ยนะไม่เอาขันห้าในการมมาพบทั้งปวงแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าหัตถมากรสละกิเลสทั้งปวงสละขันท์ทั้งปวงก็ทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะฉะนั้นก็จเจริญ น, น ะ, จะเจริญเจริญคุณธรรมเหล่านี้เพื่อ น, นําออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้ง อ น, นิจจานุปสัสสีวิอ น, นิพพานุปสัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปสัสสีปฏินิสคานุปัสสีเนี่ยนะเป็นชื่อของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นการเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันเป็นการเจริญเพื่อการแทงตลอดอรยิยสัจเพราะฉะนั้นคนที่เจริญอย่างนี้ได้หน้าหนึ่งห้าบเบอกว่าบทว่านะกินจิต โลเกอุปาทายติย่อมไม่ยึดไม่ยึดไม่ถือไม่รูปคลารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดยอย่างหนึ่งที่เป็นสังขารด้วยอำนาจแห่งตัณหาจึงไม่สะดุ้งด้วยตัณหาเนี่ยนะตัณหาเนี่ยาสะดุ้งเพราะไม่ยึด ไม่ยึดถือว่าเที่ยงอีกแล้วเลิกละความสําคัญหมายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเที่ยงแล้วเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่สะดุ้งด้วยสความสะดุ้งเพราะตันหาเพราะฉะนั้นย่อมปรินิพานดับไปเฉพาะตัวเท่านั้นก็ว่าถ้าอะไรถ้าดับตันหาที่นําเกิดในทุกขก็พ้นจากทุกขเป็นต้นไปได้เนี่ยนะก็ดับกิเลสได้ด้วยตัวเองสรุปตอนท้ายบอกว่าปัจเจก ข, ของพระขีนาสพเท่านั้นที่บอกว่ารู้ว่าอะไร <c oughs> ที่บอกว่าเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่สะดุงเมื่อไม่สะดุ้งก็ย่อมปรินิพานเฉพาะตัวทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วหมายคือว่าสิ้นการเกิดอีกแล้วเนี่ยนะพรหมจันทร์คือโซดาปฏิมักสกาธาคามีมกักอนาคามีมกักอรหัตมักอยู่จบแล้วกิจสี่กิจของอริยสัจสี่เรียกว่ากิจ16ในอริยาาสัจส์่ก็ทำเสร็จแล้วกิจในการปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเหล่านี้ ไม่ได้มีอีกต่อไปอันนี้เป็นอนุภาพของปัจเจกขณะยานพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อันเท้าสกกะทูลถามปัญหาข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นของพระขีณาศพโดยย่อทรงกระทำให้เบาใจพร้อมกับตอบปัญหาโดยย่ออย่างเร็วพลันด้วยประการชนนี้ถามสั้นก็ตอบสั้นถามเร็วก็ตอบเร็วนะเพราะฉะนั้นก็เท้าสกะกาก็เลยฟังแล้วก็ปลื้มใจก็เลยกลับไปเที่ยวต่อนี่นะ แต่ว่าเนื้อหาในพระสูตรก็ยังไม่จบนะยวอพักกันก่อนดีกว่าเนาะ